พระราชาก็ถือทรงถือโพชนาะมีรถเลิศต่างๆเข้าไปให้แก่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้รับโพชนาอาหารด้วยคิดว่าเราเว้นมารดาเสียแล้วจักไม่รับอาหารเนี่ยนะถ้าหากว่าแม่เราเนี่ยนะตาบอดอยู่ในถ้ำถ้าหากว่าเราไม่มีแม่เราไม่ได้ให้อาหารแม่ก่อนเราก็จะไม่รับอาหารเพราะฉะนั้นแม้พระราชาขอร้องก็ไม่รับ พระโพธิสัตว์ก็บอกกับพระราชาว่ามารดาผู้น่าสงสารตาบอดไม่มีผู้ดูแลจกถูกต่อตามเท้าตกภูเขาจันโดรณะน ะ, นนะแม่เนี่ยสงสัยปา น, นิหิวมากความหิวของแม่แม่คงจะตามหาลูกตามหาอาหารถ้าหากว่าเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยตกหิวตายแน่นั้นนื้อึงแต่แม่วันตอ น, น้แม่เป็นยังไงบ้างนะหิวไปเดินเหยียบอะไรที่ทาให้ตาเอเท้าเสียหายหรือเปล่า หือว่าตกเขาตายไปแล้วเป็นต้นน่ยนะพระราชาฟังอย่างนั้นก็ถามว่าท่านมหานาคใครคือมารดา ข, ของท่านตาบอดที่ไม่มีผู้ดูแลจะถูกต่อตำเท้าตกภูเขาจันโดรณนะพระโพธิสัตว์ทูลตอบว่าข้าแต่มหาราชมารดา ข, ของข้าพระองค์นีิตาบอดไม่มีผู้ดูแลจะถูกต่อตำเท้าตกภูเขาจันโดรณะนะกนะ็ท่านตาบอดนะใครจะเลี้ยงดูท่าน พระโพธิสัตว์ก็เล่าต่อไปว่าวันนี้เป็นวันที่7มานดาของข้าพระองค์ยังไม่ได้อาหารเลยจะไปไหนได้นะแกก็แก่ตาก็บอดอยู่ในถ้าก็เหมือนกับหลายๆคนเนี่ยนะมีพ่อแม่ตาบอดนอนอยู่ที่ไหนที่ถ้าเหมือนกันไหมถ้หลังบ้านเหือนันนะลักษณะ น, นั้นเพราะฉะนั้นพระราชาจึงตรัสว่าพวกท่านจงปล่อยมหานาคมหานาคนี้เลี้ยงมารดาขอมหานาคจงอยู่อย่างสงบกับมานดาพร้อมด้วยญาติเธอ ก็คือขอให้มารดาของเอ่อขอให้พญาช้างนี้กลับไปเลี้ยงแม่ไปอยู่มีชีวิตอย่างสงบผาสุกอยู่ร่วมกับแม่เธอแล้วก็รับสั่งให้ปล่อยไปกุลชรมหานาถพ้นจากเครื่องพันธนาการแล้วพักผ่อนอยู่ครู่หนึ่งก็ได้ไปภูเขาอันเป็นที่อยู่คือภูเขาจันโดร น, นะอนนี้ คือหลังจากนั้นบทว่าอัคมาเยณปัพโตช้างตัวประเสริฐนั้นพ้นจากพันธนาการแล้วพักอยู่หน่อยหนึ่งแสดงทศพิศราชธรรมกถาถวายแด่พระราชาทูลให้โอวาทแก่พระราชาว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงเป็นผู้ไม่ทรงประมาทเถิดมหาชนต่างก็บูชาด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นพระโพธิสัตว์ก็ออกจากพระนครเข้าไปหามารดาในวันนั้นนั่นเอง แสดงว่ารีบไปมากเลยนะรีบไปในวันเดียวก็ถึงพอไปถึงแล้วมารดาก็ดีใจเนี่ยนะเจริงก็เอาเอาเอ า, เอาพญาช้างเนี่ยนะไปถึงก็เอางวงเนี่ยไปสูบน้ํางวงไปสูบน้ำแล้วก็ไปพ่นใส่แม่แม่ก็บอกโอ้ยฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลใครเนะ้ะมาแก็เล่าให้ฟังว่าลูกกลับมาแล้วก็บอกมาได้ยังไงบอกว่าพระราชาให้ให้อภัยมาอย่างนี้แหละพระราชาพระราชาทานมา มารดาก็ดีใจอนุโมทนากับพระราชาว่าขอพระราชาผู้ปกครองแคว้นกาสีให้เจริญพระราชาผู้ปล่อยลูกของเราผู้มีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ทุกเมื่อขอพระราชาพระองค์นั้นจงมีพระชนยืนนานเถิดก็อวยใจให้พรของแก่พระราชาว่าขอให้พระราชาเนี่ยจงมีพระชนมายุยืนนานนะเพราะว่าปล่อยลูก ลูกนี้เป็นผู้ที่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ทุกเมื่อนะอภิวาทานาศสีลิสนิจจังนั่นแหละก็คือเป็นผู้มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ทุกเมื่อพระราชานั้นเลื่อมใสในคุณธรรมของพระโพธิสัตว์เลื่อมใสามากะนะพระองค์ก็เลยให้ไปสร้างพระราชวังอยู่ไม่ไกลสระบุรก็พระราชานี n ก็ติดตามช้างนั่นไปนะไอ้เขาอยู่กันยังไงไปเลี้ยงแม่อย่างไงอะไรยังไงก็เลยไปสร้างวังอยู่ที่ใกล้ใก้สระบุรนั่นแหละ พระราชาก็ปรนิบัติพระโพธิสัตว์และมารดาของพระโพธิสัตว์นี่เนืองนิดพระราชาเนี่รู้คุณธรรมคือรักพญาช้างนี่มากจริงก็อาจจะด้วยบุพเพสศนิวาสอ่ะนะก็คือร่วมกันมาหลายชาติแล้วเพราะว่าพระราชาก็คือพระอนนท์อ่ะน ะ, ะนนเนี่ยพระอนนท์เนี่ยพอเห็นพญาช้างก็รักพญาช้างน้อมไปเพื่อที่จะบำรุงพญาช้างก็เปรียกว่าเป็นผู้ที่ยอมสละชีวิตเพื่อพระโพธิสัตว์เนี่ยหลายชาตินะพระอนนท์เนี่ยท่านเป็นอย่างนั้นท่าน ท่านก็เลยไปสร้างพระราชวังอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลาจากสะบัวนั่นแหละคอยดูแลพญาช้างตอนหลังมาเมื่อมารดาพระโพมารดาล้มก็คือตาอยานะพระโพธิสัตว์ก็ทำการฝังศพพระมารดาแล้วก็ไปอยู่ณนะกุรันดกะอาสมบบตนะช้างนี่ก็หลีกไปอีกที่หนึ่งนะที่นั้นก็มีฤาษีห้า้อ500ลงจากหิมะวันต่ประเทศอาศัยอยู่พระราชาก็ไปปรนนิบัติต่อฤาษีเหล่านั้นตอนหลัง พระราชาก็ให้ช่างนี่แกะสลักหินทำเป็นรูปปฏิมา ก, ก็คือรูปเหมือนพระโพธิสัตว์แกะสลักช้างช้างหินเนี่ยนะแล้วก็ทรงบริจาคมหาส ก, การะตั้งเครื่องบูชาพระโพธิสัตว์ชาวชมพูทวีปประชุมกันทุกปีโดยลำดับทำการฉลองรูปเปรียบด้วยช้างอันนี้ก็คือเคารพในฐานะพญาช้างผู้เลี้ยงแม่นะก็ทาอนุสาวรีนะนะทอนุสรให้ระลึกถึงใช่ทเป็น สถานที่เอาไว้ระลึกถึงพญาช้างผู้เลี้ยงมารดาพระราชาในครั้งนั้นก็คือพระอานนท์ในครั้งนี้เนี่ยนะก็เป็นพระอนน์นั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่รักพักดีต่อพระโพธิสัตว์รักพักดีต่อพระพุทธเจ้าออมาหลายชาติด้วยกันนางช้างก็คือพระนางมหามายานั่นแหละพรานป่าก็คือคนที่เราคุ้นเคยดีคือพระเทวทัตเนี่ยนะคนอกตันยูเขาว่ากัน ก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะคือเนื่องจากว่าจิตที่สมาทานเพื่อจะผูกเวรต่อพระโพธิสัตว์เนี่ยนะจิตที่คิดผูกเวรเนี่ยอะไรก็ได้ขอให้มันน้อมไปเพื่อทําลายพระโพธิสัตว์ทําได้หมดเนี่ยนะเพราะว่าใจที่ตั้งไว้เพื่อจะผูกเวรผูกเวรมานานด้วยกันส่วนช้างตัวประเสริฐผู้เลี้ยงมารดาก็คือเราสถาคตเนี่ยนะ พู้เสด็จมาอย่างนั้นมาเหมือนอะไรเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเสด็จดำเนินมาด้วยบารมีสิบเป็นต้นฉันใดพระองค์ก็เสด็จมาอย่างนั้นแลอันพญาช้างตัวประเสริฐก็คือช้างที่เลี้ยงมารดาช้างที่เลี้ยงมารดานั้นนะ น, นะบุญบารมีที่ท่านสั่งสมอันนั้นเป็นเหตุให้ท่านบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนต้นเนี่ยนะคนที่เขาบอกว่าคนที่ทาดีเนี่ยนะคนที่ทาบุญทำกุศล ก็จะตำหนิบ่นว่าความดีนี้เป็นสิ่งไม่ดีเลยตราบเท่าที่ความดียังไม่ให้ผลตอนที่ความดียังไม่ให้ผลเนี่ยนะแหมมันทำด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจทำด้วยความมันอับเฉาเศร้าส้อยใจยังไงก็เพราะเราทำดีแท้ๆเราเลยเสียโอกาสอันนั้นอันนี้ก็ว่าไปเรื่อยเนี่ยนะอ้างเพราะว่ามัวแต่ทำดีก็เลยเสียโอกาสทำชั่วตั้งลอย่างก็จิตใจก็แห้งแล้งจิตใจก็อับเฉา เขาบอกความดีนี่ไม่ดีเลยเพราะทําดีแท้ๆจึงเดือดร้อนฉะั้นเขาบอกว่าคนทั้งหลายเห็นว่าความดีเป็นสิ่งไม่ดีตราบเท่าที่ความดียังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดความดีให้ผลก็บอกว่าช่างดีจริงดีแท้เนี่ยนะรู้อย่างนี้เราต้องทําให้มากกว่านี้แล้วถ้าเรารู้ว่าความดีมันให้ผลเป็นสุขเช่นนี้เราจะทําดีให้มันยิ่งๆขึ้นไปกว่านี้ส่วนคนชั่วทั้งหลาย กขาบอกโอ้ยความชั่วไม่เห็นมันเลวร้ายอะไรเลยยิ่งทําชั่วยิ่งมั่งมียิ่งทําชั่วยิ่งประสบความสําเร็จความชั่วนี้ดีแท้ดีแท้ยิ่งทํายิ่งดีเพราะความชั่วยังไม่ให้ผลแต่เมื่อความชั่วให้ผลแล้วเขบอกแหมรู้อย่างนี้ไม่ทํำรอกรู้อย่างนี้ไม่ทํำรอกรู้อย่างนี้ใครจะไปทําบาปทํากรรมทําไมนาะเนีน่ย น, น, นะทันเวลาความชั่วให้ผลคนผ่านกขาบอกโอ้ยความชั่วนี้ช่างเลวร้ายจริงหนอ นั้นคนดีทั้งหลายบางทีเนี่ยนะทำความดีขาดน้ำอดน้ำทนเนี่ยนะพอเจออุปสรรคนิดๆหน่อยๆก็บอกว่าความดีนี้ไม่ดีเลยนะพอพ อ, พอคิดว่าความดีไม่ดีก็เลยเลิกทำความดีพอเลิกจากเลิกเลิกทาความดีเป็นยังไงก็เสื่อมจากคุณงามความดีังั้นคนที่จะทำบุญทากุศลทำคุณงามความดีเนี่ยนะสังเกตดูว่าความอดทนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด จริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยถึงเราไม่ทําดีถามว่ามันจะมีอุปสรรคหรือไม่มีมันก็มีอุปสรรควันยังคำ่ำชีวิตที่เกิดมาเต็มไปด้วยอันตรายรอบด้านเราจะทําชั่วก็มีอุปสรรคเราจะทําดีก็มีอุปสรรคแล้วเราจะเลือกทําอะไรละ่ะก็รู้อยู่แล้วว่าความชั่วให้ผลเป็นความทุกข์ความดีให้ผลเป็นความสุขถ้าทําความดีแล้วมันมีปัญหามีอุปสรรคคนไม่อนุโมทนาเป็นต้นขณะเดียวกันก็ได้รับการขัดขวาง แต่ก็ก็จะเป็นรายไปเราเองก็อนุโมทนากับคนอื่นทุกเรื่องซะที่ไหนเคยห้ามคนอื่นทําบุญไหมเคยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเจริญกุศลคนอื่นห้ามบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติหลายท่านก็บนว่าเวลาเขาจะทำดีนะอุปสรรคเต็มไปหมดเลยก็ใช่แล้วไม่ต้องไปแปลกใจหรอกเพราะเวลาเห็นคนทําดีนะเรามีเหตุผลจนอธิบายให้เขาไม่ต้องทอําะเรานี่เก่งมากอธิบายจนบอกคุณไม่ต้องทำหรอกสรุปแล้วนะบางคนนี่มีความสามารถขนาดนั้น สามารถพูดให้คนเลือกทำดีได้ฉะนั้นเวลาตัวเองจะกลับมาทำดีก็จะมีคนขัดคนขวางโดยประการต่างๆมาทบทวนถึงบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะจริงๆแล้วพระโพธิสัตว์ท่านก็ให้ทานท่านก็ทำคุณงามความดีเยอะแต่แต่ศีละบา ร, รมีนี้ยอดเยี่ยมกว่าบา ร, รมีอย่างอื่น ก็เลยพระพุทธเจ้าก็เลยยกบารมีนี้ขึ้นสู่เทศนาประกาศคูณานุภาพของพระโพธิสัตว์เอาไว้ในจริยาปิดกนี้ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะแม้ท่านเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานท่านก็ยังเข้าไปตั้งจิตเพื่อจะเคารพมารดาตั้งจิตเพื่อจะเคารพแมท่ทั้งทั้งที่เป็นกําเนิดเดรัจฉานนะบางคนก็บอกว่าตําหนิบอกว่าแม่เนี่ยทำให้แต่เกิดแล้วก็ไม่รู้จักเลี้ยงดูเป็นต้นบางคนเนี่ยตำหนิขนาดนั้น ทั้งๆที่นั่นอะ่ะขนาดเข้าเป็นมนุษย์เนี่ยนะเป็นต้นเขาก็ยังไ ม, ไม่ไม่มีสามัญญสาสํานึกสู้ช้างก็ไม่ได้นเหมือนนนะสู้เดราชานก็ไม่ได้พระโพธิสัตว์ผู้เป็นสัตว์เดราชาญก็ล้ำลึกถึงพระคุณของแม่เอาตั้งจิตเคารพแม่ด้วยความเคารพขณะเดียวกันการเคารพแม่เนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติอันสมควรแก่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเดียวกันนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีความเคารพในพระมารด า, านะาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สันเสิผู้เอิบมารดาสรนเริญการเคารพต่อมารดาว่ามารดาทั้งหลายเป็นเหมือนกับพรหมของลูกเพราะมารดาทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่ละเว้นจากพรหมวิหารสี่ประการต่อลูก มารดาทั้งหลายเป็นบิดามารดาเป็นผู้หวังความเจริญแก่ลูกอันนั้นก็เป็นเมตตามารดาบิดาทั้งหลายมุ่งจะบำบัดความทุกข์ของลูกอันนั้นก็เป็นกรุณาของมารดาเมื่อเราได้ดีคนที่ดีใจที่สุดก็คือมารดาบิดาอันนั้นก็เป็นมุทิตาของท่านขณะเดียวกันเมื่อเราอยู่ดีมีสุขไปดีไปสุขไปสบายท่านก็หมด กังวลอันนั้นก็เป็นอุเบกขาของท่านพ่อแม่จึงเป็นพรหมผู้อยู่ด้วยพรมมิหารสี่ประการสำหรับลูกทั้งหลายขณะเดียวกันพ่อแม่เป็นบุรพาเทพเนี่ยนะเป็นเทวดาเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีใจที่บริสุทธิ์พ่อแม่ทั้งหลายเป็นบุรพาาจารย์เป็นบุบรพาาจารย์ก็คือปุบพาจารย์บุรพาาจารย์อันเดียวกันเป็นผู้ที่สั่งสอนลูกทั้งหลายนับตั้งแต่ คลอดออกมาแม่ก็เริ่มสั่งเริ่มสอนเริ่มแนะนําในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะในการเคี้ยวการกินในการอาบในการแต่งตัวนุ่งหม่มในการหัดยืนเดินนั่งนอนไปต้นสิ่งเหล่านี้พ่อแม่สอนทั้งหมดนั้นการสอนของพ่อแม่สอนจนจเจริญเติบโตเมื่อตัวเองหมดปัญญาที่จะสอนก็ยังส่งไปให้คนอื่นสอนต่อไปอีกหวังให้ลูกได้รับความจเจริญ ฉันคนอื่นนี้ถือว่าเป็นอาจารย์หลังๆทั้งนั้นพ่อแม่เป็นบุรพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกเป็นอาจารย์เบื้องต้นที่โอวาสั่งสอนทุกอย่างแนะนําให้รู้ว่านี้ทิศเหนือทิศใต้ทิศ ต, ต, ต, ตะวันออกนี้เป็นลุงเป็นป้านี้ควรเรียกอย่างนี้สอนแม้กระทั่งถ้อยคําที่ควรพูดกิริยามารยาทระเบียบแบบแผนพ่อแม่ทั้งหลายสอนทั้งหมดก็เลยเรียกว่าพ่อแม่เป็นบุรพาาจารย์ ขณะเดียวกันพ่อแม่เป็นนาบุญของลูกเรียกว่าอาหุนยับบุคคลเป็นบุคคลที่ควรควรที่ลูกจะต้องลุกขึ้นต้อนรับถ้าหากว่าเห็นใครเดินมาแล้วควรลุกขึ้นรับก็คือพ่อแม่ถ้าจะมีของไปฝากใครพ่อแม่เป็นผู้ที่ควรของฝากที่สุดเนี่ยนะสำหรับลูกๆทั้งหลายเนี่ยนะถ้าหากว่าเราจะต้อนรับอย่างดีก็ต้องรับต้อนรับพ่อแม่ถือว่าเป็นแขกที่มีเกียรติที่สุดเนี่ยนะเป็นแขกที่สามารถ อำนวยความสุขความเจริญให้แก่เราถ้าเราจะต้อนรับจะเชื้อเชิญถ้าเราจะสแสวงบุญพ่อแม่ของเราเป็นบุคคลที่เราควรที่จะสแสวงบุญที่สุดแล้วสำหรับลูกทั้งหลายเนี่ยนะถือว่าเป็นผ้าอรหันต์ของลูกเป็นนาบุญของลูกที่ไม่มีนาบุญอื่นๆให้แก่บุคคลอื่นเป็นร้อยเป็นพันก็เท่าไม่ได้ให้เท่ากับพ่อแม่ของเราพ่อแม่ของเรานั้นเป็นผู้มีพระคุณอย่างลึกซึง้งเนี่ยนะเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าก็สรรเสริญพระควรของมารดาบิดาเอาไว้ในพระสูตรหลายสูตรด้วยกันแม้กระทั่งพระวินัยบัญญัติพระองค์ก็ยังอนุญาตว่าปัจจัยสีที่ได้มานี่สามารถให้พ่อให้แม่ได้เลยโดยที่ปกติแล้วถ้าจะให้ผู้อื่นเนี่ยต้องท่านต้องฉันก่อนเป็นต้นให้เหลือก่อนแล้วึงให้ผู้อื่นได้แต่ถ้าหากว่าเป็นพ่อแม่ไม่ต้องให้ได้เลยโดยที่ไม่ผิดพระวินัยบัญญัติ ด, ด้วยโดยเฉพาะอาหารเป็นต้นเนี่ยนะ เรียว่าคนอื่นประเคนมาแล้ว ย, ยกให้แม่ได้เลยเหมือนนน่ยโดยที่ไม่ผิดอะไรนะแล้วไม่เชื่อว่าเป็นการทําศรัทธาให้ให้ตกด้วยนะพระพุทธเจ้าสรรเสริญยกย่องมากนนเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่พระองค์บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เลี้ยงดูบิดา ม, มารดาคุณธรรมอันนี้ถ้าไม่มีในในใจของพระองค์มาก่อนพระองค์ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรอกอนะเพราะมารดานั้นเป็นผู้มีอุปการะมากสําหรับลูก <c oughs> ขณะเดียวกันนั้นการบำรุงบิดามารดาเนี่ยบัณฑิตทั้งหลายเขาบัญญัติกันว่าเป็นสิ่งที่จะต้องทําวันนี้ถามเด็กๆว่าใครหนูทั้งหลายโตขึ้นใครตั้งใจไว้ว่าจะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่บ้างโอ้ยกมือพรึบเป็นร้อยนีนะว่าเออข อ, ขอให้ได้สมความปรารถนาให้ได้มีความสุขความสมหวังอะนะไปวันนี้ไปคุยกับเด็กมาบอกว่าใครนะตั้งใจสมาทานเพื่อโตแล้วโตวแล้วจะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ก็เลยบอกว่าอา้าวสมาทานกันทุกคน สมาทานว่าเมื่อนะพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแลว้วเราจะต้องเลี้ยงดูท่านตอบแทนพระคุณเนี่ยนะเด็กก็ว่าตามสมาทานตามก็ยังชื่นใจหน่อยนะทำไม่ทาไม่รู้เลยว่าออได้พูดบ้างก็ยังดีนะมีโอกาสพูดคําเหล่านี้บ้างก็ยังดีเพื่อเป็นวาสนาะเป็นบุญเป็นอุปนิสัยต่อไปในอนาคตเนี่ยนะหลังจากนั้นพระโพธิสัตว์นะพูดถึงคุณธรรมของพระโพธิสัตว์คือเคารพบิดามารดา ท่านเลี้ยงดูมารดาด้วยคิดว่าวิธีการเลี้ยงดูของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านนั้นเนี่ยปกติแล้วท่านมีบริวารเป็นแสนแต่ท่านไม่สนใจบริวารเพราะว่าการอยู่ร่วมกับบริวารท่านไม่สามารถจะเลี้ยงดูแม่ได้ก็พาแม่หนีไปนนะไม่สนใจในลาบยศสรรเสริญการเคารพนับถือของช้างเหล่าอื่นเลยตั้งใจมุ่งไปที่จะเคารพเลี้ยงดูแม่ที่ตาบอดเนี่ยนะ เพราะว่าบางคนนี่เห็นแก่ยศเห็นแก่ตำแหน่งเห็นแก่ความมีบริวารทิ้งพ่อทิ้งแม่ปล่อยให้พ่อแม่อยู่ด้วยความทุกข์ยากอดอดอยากอยากเป็นต้นเนี่นะนี่ก็พระโพธิสัตว์ท่านไม่ทําอย่างนั้นท่านไม่คํานึงถึงอันตรายท่านไม่สนใจอะไรละโคลงไปแต่ผู้เดียวท่านบูชาแม่ผู้ผู้เป็นนาบุญแล้วก็แม่ก็ถือว่าเป็นผู้มี อุปการะมากท่าน น, นะเป็นผู้ที่แสดงโลกนี้ให้เราได้ดูนะอันนี้คุณธรรมของพระองค์ท่านก็คือสละโลกธรรมทั้งหลายฝ่ายดีไปอยู่เลี้ยงแม่ต่อไปเอกการเห็นบุรุษหลงทางแล้วก็รับไปเลี้ยงด้วยความกรุณาให้อาหารที่เป็นอาหารของมนุษย์เนี่ยนะก็รับใข่รับนายพรานใช่เอานายพรานผู้หลงทางนี่ไปเลี้ยงดูด้วยใจที่อนุเคราะห์เอาเข้ามาส่งด้วยนะเอาเข้ามาส่ง พระโพธิสัตว์นั้นอดกั้นความผิดพลาดที่นายพรานป่านี่กระทาไว้แล้วขณะเดียวกันเนี่ยวันที่นายพรานป่ามาเนี่ยนะท่านเห็นวนะ่านายพรานคนนี้แหละพามาจับเราทั้งๆ ท, ท, ที่เราบอกไว้แล้วว่าอย่าบอกใครนะว่าเราอยู่ที่นี่นี่ก็ยังพาเข้ามาอีกท่านก็แต่ว่าท่านก็ไม่โกรธ ถ, ถ้าท่านโกรธแล้วตายหมดแน่เนี่ยนะท่านไม่โกรธนั้นท่านก็อดทนอนะไม่ไม่อดทนอนะว่า ไปทำอะไรได้มันมามาปนี้แล้วนะ ก, ก็คือเขาบอกว่าคนที่เป็นมหาบุรุษเนี่ยนะคนที่ใจยิ่งใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องเล็กน้อยขนาดนี้ ข, ขอกันกินมากกว่าเขางั้นจะไปทำอะไรได้เขาเรียกว่าบริหารวางแผนจัด ก, การไว้อย่างดีแล้วแต่เขาก็ยังไม่ทำตามที่ที่บอกจะไปทำอะไรได้นะขณะเดียวกันพระโพธิสัตว์สามารถที่จะบีบจะฆ่าคนที่มาจับตนที่มีในควานช้างเป็นหัวหน้า แม้เพียงให้เกิดความสะดุ้งก็ไม่ทำอย่างนั้นท่านคิดว่าศีลของเราจะขาดนะให้คนเหล่านั้นเข้าไปจับโดยดีเหมือนช้างที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีทั้งๆ ท, ที่ไม่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยอะไรมาก่อนแต่ให้เข้ามาจับงวงได้ซึ่งปกติแล้วไม่ใช่วิสัยของช้างป่านะนะทาตัวเสมือนช้างที่ฝึกดีแล้วเพราะอะไรเพราะความที่ตัวเองนี้ อธิษฐานอธิษฐานไว้อย่างมั่นเขาจะทำอะไรก็ทำเธอะขณะเดียวกันคุณทำอันอื่นของท่านอดอาหารแม่ตลอดเจวันคิดว่าเว้นมานดาเสียแล้วเราก็จะไม่กลืนกินอาหารอะไรอะไรถ้าแม่ไม่ได้ทานก่อนเราจะไม่ยอมทานเด็ดขาดเยนะไม่เหมือนบางคนนะแอบทานให้หมดก่อนเหลือไว้ให้ฝากแม่อย่างีนนะ้ไม่ใช่อย่างนั้นนะนะไม่ทำจิตให้เกิดขึ้นว่า ผู้นี้ถูกคล้องเราแล้วก็แผ่เมตตาผู้นี้ผูกคล้องเราท่านไม่ไม่คิดเลยนะท่านมีจิตเนี่ยประกอบไปด้วยเมตตารักต่อผู้ที่มาคล้องตัวเองเนี่ยนะกว่ามีใจรักผู้ที่มาคล้องตัวเองเนี่ยเหมือนอด้วยอํานาจของเมตตาหวังประโยชน์อยู่เสมอ คล้ายๆกับพระเจ้าพิมพ์ิสารนะนี่นนถึงพระเจ้าพิมพ์พิสารพระเจ้ า, าชาตศัตรูสั่งให้จับบอกเออให้เขาจับเธอพระราชาอยากจับก็จับไปคือรักลูกมากไอ้ความที่รักพระเจ้าอาชาติศัตรูมากยอมทุกอย่างนะถ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูอยากได้อะไรก็ได้อยากได้บ้านเมืองให้บ้านเมืองอยากได้สมบัติให้สมบัติอยากได้อะไรอยากให้ตัวเองไปอยู่ในคุกก็เข้าไปอยู่ยอมลูกเพราะความที่ตัวเองรักลูกมากนี้ฉันใดพระโพธิสัตว์ความที่ท่านมี เมตตาท่านก็มองสัตว์อื่นเหมือนกับบุตรของท่านทั้งหมดเนี่ยนะคนอื่นจะทำอะไรก็ได้ทั้งๆ ท, ที่อำนาจนี้อยู่ในมือของท่านอย่างล้นเหลือแต่แต่ท่านก็ยังมีเมตตาสุดท้ายคุณธรรมของพระโพธิสัตว์คือการแสดงธรรมถวายแก่พระราชาสั่งสอนให้พระราชานี่ดํารงอยู่ในคุณธรรมเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์นั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมพิเศษ ความที่พระองค์มีคุณธรรมพิเศษเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจึงยกย่องว่าท่านผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เหล่านี้น่าอัศจรรย์ทั้งไม่เคยมีไม่เคยมีมาอย่างนี้เลยแม้เพียงยังจิตให้เลื่อมใสในท่านเหล่านั้นก็จะพ้นไปจากทุกข์ได้จะพูดไปทำไมถึงการปฏิบัติตามท่านเหล่านั้นโดยทําและสมควรแก่ธรรม บรรท่านผู้มีคุณธรรมผู้มีคุณวิเศษเช่นนี้สมควรแล้วที่เราจะนับถือท่านว่าเป็นอะไรนะพุทธังสารานังคัจฉามิด้วยละลึกถึงปุพพะจริยาคุณทั้งหลายที่พระองค์ได้กระทำมา